เพราะมันรู้หมดแล้วมันจะไปรับเพื ok ่ออะไรต่อยหมดมันรู้หมดมันต่อยต่อยผูประธานผูประธานมนีขึ้นพราะความสาคัญมันหมาย ok ok ok ok ok ิที่ยังไม่เข้าใจสิงนั้นๆคเข้าใจถ้ามันปอยมันเองไม่ต้องบอกว่ถอนประทานอย่างนั้นอย่างนี้ว้าวย่างลำดับของกาพูดก็ว่าอย่างหลักทันจการรู้แจ้งการถอนประานเป็นเดียว้แจ้งกูนั่น ผูหายองศัยมันมารู้แจ้งเราจะเอาถอนองศัยมันยังไงเมื่อหายองศัยองศัยก็กยกถอนนี่ถอนมันเองตันงป็นขณะมันรู้แจ้งแล้วเรามาเขียนที่หลังว่าถอนประธานวายเพื่อเรียงลาดับประโยคคําพูดเรียงลําดับเปนหนังสือเขียนทุกตัวมือใช้ในี้วหดมากว่าเลยธรรมชาติแท้ๆมันทำงานในขณะเดียวกันประธานสื่อเคยพูดนะมีพูดที่อื่นไปไม่ได้เพราะอย่างอื่นไม่ไม่ได้รู้นี่รู้อย่างนี้พูดอย่างนี้ มันทำงานในขณะเดียวกันหมดทั้งสี่ว่าจะทำมม่มาเศรษฐฐานสีนี่หลังธรรมชาติมันทำงานมันขั้อมกันเลยทีนาการกับข้องที่มันจะรู้นโงวทนาจิตทำไปด้วยกันมันเกี่ยวยไม่มีเหมือนอย่างเทน้ำจะก้นโองพอเทแช่กมันจะไหลไปไหนมันไม่ไหลไปตามคนโ่งมันเกี่ยวยงเกี่ยวยงจ้างไปหมดอายึดมจิตแท เงินแดาวน้องนั่นรู้โดยเด่นะอะไรก็ตามมีกี่รอ้อยกี่พันคนมาค้ า, ม, า, ม, านนมันไม่สนใจเลยถ้าลงไม่รู้โดยเด่นอันนี้เนี่ยันติดติดคงมันเห็นเองชัดแจ้งมือก็เด่นใครจะมาค้าสามระบบธรรมเขมาไม่ไหว้มันสนใจด้วยซ้ำว่าจะไปเชื่ อ, ขอเขาอะไรอะไรมีความจริงไปไม่ได้ไมันรู้กับความจริงก็มีทั้นความจริงอย่นนางเดียวไม่เสียงกันนะ เยทะขนาดแล้วใครจะมาแยกมันเป็นอะไรอีกนั่นที่มันเชื่อไม่ได้มันไม่สงใจจะเชื่อเพราะจะแยกเขาเป็นสองเปนสามันจริงจนิงจะมาว่ามันไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นตั่นแต่มันจะได้เชื่อได้ไงจริงจรมันเป็นส่วนลูกส่วนมันีนนนม่เชื่อมันมีแบบครูของวใจดูแลเวลาัราพอแล้วมีแม่บอกว่าจะจัดกระทับอยู่ข้างหน้าเราตามจะไม่ทูลถามพระองค์เลย เพราะของจริงมีเท่ากันจะไปถามเพื่อเนี่ยเก่อนเนี่ยเป็นพุทธายุกา้มันพูดภถึงขั้นนี้เข้าไปเาพู ด, าพ ด, าพดบาษาทู่ไม่ได้ประมาท ก, กบพูดเทีาา่ยวๆไปห่าเพราะว่ามันยกมือเป็นข้อมเลยะแม้เพราะพระองค์มาประทับร่างอยู่ข้างหน้านี่เราเนี่ยก็ไม่ถมูกคุณถามถราคุถามเป็นทไมคุณถา ม, มกาม้องมาลงที่เพืุ่ถามเองกต่จริงนี่จะไปถา ม, มอะไร เราก็ฟังแต่ก่อไม่ถึงใจข้าใจเรามันดีเลิศต่อมาเราก็เชื่อเองคำพูดมเชื่อความจริงกเชื่ออะไรรู้ความจริงก็เชื่อความจริงกันท่านที่อุบายสติปัญญาที่จะแยกเลี้ยเป็นารสรุปในของแต่ละตในหลัง เลือกงบเทียนที่าการยกในท้องบุ่ปล่ากระทู้ต้อกระทูยกปาจิตขึ้นมาให้แปรเอากระทู้แกบวมัดของหลายอย่างมัดหรือรวมมืออ๋อแตงกระทู้คือหมาเข้ามาครี่คลายออกจากมัดนั้นจากที่รงมันมีอะไรบ้างอยูข้างในเออมัดไม้ม คือมีไม้อะไรบ้างที่เป็นคืนนี่มไม้กับไม้หลายชิ้นหลายท่นลองมาดูมีไม้อะไรบ้างพอบแก้มันออกดูพี่ใครของอยู่ในตะกร้านี้แห้หีบในรังนี่มีอะไรบ้างเอาเปิดเอาดูนะ่ะยกมาให้ทั้งรังแหละยังจะของเปิดออกที่ใครรวมมีอะไรบ้างยกให้ทั้งมัด เราู่ต้องการแย้มมนดก็ดูเรามีมากเลยนะการสอนกับแบบทั้งมันทั้งมเราจะแยกเอาแยเอา้ยกเอาเป็นความนิสัยของแต่ละคนคลายกูบาลจับมัแยกแยกไอ้พวกนเป็นแยกแยกมาหน้าผมก่อนจอมันแล้วบอกผมแยกนะเพราเราเห็นในเรื่องของเราเองขนาปฏิบัตินี้นเราไม่ได้เอาจาับกูบาลจับทุกแขนมันเป็นอูบาลเป็นวิถีเป็นวิถีของจิตเราที่มี มันเดินมันพ nah, okay. em ิจารณามันท่านหนักชัดเจนของเราเองตัวที่อาศัยท่านเป็นพื้นฐานนะมันจะเแยกแยกไปต่างๆตามความหนัดใจนั้นนมันเป็นเรื่องของวิสัยมันเป็นเรืงร้ายไงที่ต้องปฏิบัติแยกแยกตัวเีงแล้วเข้าใจที่เป็นผลตัวเองโดยําหดับําหันี้เอียวเป็นสมบัติของเราแท้ความเหนืัอยพลังเอามาพิจารณาใจต่อ ให้เห็นผลขมาเป็นัรรมะรับ น, น, นี่เป็นสมัยเราแท่า น, นี้นเรื่องสิปัญญาที่เราไปคิด้นที่มาในเราเป็นเราแท้ไปนั่งมันจน น, น้ำผัดโยกกล้องมันจะต้องเี่เอะกระจายไปันหมดจนสุดกสิบกาลังความสามารถนี่จังคำยาสัมมกีกว้างโลกกทั่ บรรณาสมมติทั้งหมดนะําคำว่านิจังนี่ครอบหมดเลยนะทุกครั้งโน้นกันครอบหมดนันดรกราคปดสมมตดเดียกันของขึ้นเรียองนี่แหลานเป็นอาคารนั้นเป็นอาการนี่มีนามาพิจารณาเรื่องนี้นทุกอย่ เนี่ยอ่านี้ดูกระจายกระจายกระจายกระารไปเราตอนจะรู้เรอทุกข์ชดเจนมารู้เรื่องเจาของเป็นทุกข์นี่แหละอที่นาธรรมดาเอออันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่คอได้ความหนักหนุนหนัี่แค่มันต่างกันดูล่ะเจ้าของเป็นทุกข์เจ้าของจะตายมันจึงออกมาขยำย่ายีกันลงไปมันถึงไม่เห็นสััสเพิจารณาทุกขันเป็นทุกข์จริง เหนทุกเป็นของจริงจริงนะขนาดที่ว่ามันมันจะเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อนำอย่างบางสิ่งที่ผิดของความจริงแอบทุ่มแล้วทุ่ไม่ได้เป็นภัยแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอยู่อันหนึ่งเท่านั้นพอผิดอย่างร่วมประทับถ้าเห็นกายก็ม่ใช่ทุกทุก็อมันจะกายอาการแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงที่มันแต่ละอย่างอย่างทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นมานั่นก็เป็นความจอย่าง ต่างอันต่างกริงไม่มาแตะเข้มกันเนของรูนั่นแหละยี่ถึงพวกจะมีอยู่มากมายเป็นลายตายในร่างกายมันก็ไม่สามารถเข้าไปแตะเพื่อเกิตใจว่ามันยังยืมได้อยู่เสมอตันต้องคิดเต็มตัวนะเพราะมันเข้าไม่ถึงกันมันต่างอันต่างกริงถึงละหมาที่ขณะที่เราพิจารณารอบแล้วจิตมันไม่หลบมันก็ไม่มีอะไรกรบโตกันอาการที่สองมันลงเลยเราเป็นไม่สองอย่าง แล้วลงเราก็ทุกกระจายหมดท้ายหมดไม่ไีอะไรเหลือเลยนอกจากจริงนั้นยังไม่แล้วยังสลายงไปอีกนอกจากเราเห็นนั่นทุกนี่เป็นของจริงเรายังไม่แล้วทุกนั้ต้องสลายเห็นไหครับเป็นปกา ร, รการอย่างนี้ที่มันไม่ดับแต่ว่าไม่ต่างอันต่างจริงทำอะไรกันไม่ไดไม่ถือเป็นข่าสืกต่อกัน เมื่อต่างคนต่างกิแล้วก็มากระทบกันทุกคนชอบถึงใจเจอต้อไปเอือมทุกไปไปตาหนิทุกวไปอย่างนั้นอย่างนี้ขณะที่ทุกนี้เกิดขึ้นมาในร่างกายนี้ทัศนคติธรรมดาจะหยุดเฉยไม่ได้เลยมันต้องหมุนที่จีนีนอยากให้ทุกดับเท่าไหรยิ่งเป็นการเสริมทุกนั่นแหละคือความคิดที่เป็นสมุทรความอยากให้ทุกหนักอยากให้ทุกดับมากอย่างไรมันี คือสั่สมนิมิตันอยากทุกข์กำเริบขึ้นอีกมากมายเราอาความจริงไม่อยากให้มันดับเอามีเช่ไรขอแสดงขึ้นมาให้หมดเราจะฟังถัดจะทำของจริงเต็มกําลังความสมาธิเพื่อเราจะฟังของเกิดขึ้นมาเท่าไรเป็นของจริงเนั้นแล้วเราจะฟังไม่ใช่เราอยากให้มันเกิดนะ่พื่อเราจะแสงดงขึ้นมาของจริงนะคือเราจะ พิจนาคงสิแหางของสิแย่โอ้โหจิตปัญญาของันทันมันหลบตอไปต่อไปไ้อนหน้ายนหลังพลิกพลิกนึงเห็ทันเลยดูอะไรไดูจริงไม่มีจิตมันหนีไปได้เลยกายส่วนไหนเป็นทุกข์เรดูส่วนนั้นมันทัดจนรู้จังประถมลักษณะท า, าการของมันเป็นอย่างนี้น แล้วทุกคนมีลักษณะอาการยังไงมันไม่เข้ากันได้จริงๆตัวทุกับอากาศกับอาการของร่างกายแต่ละอาการนนั้ร่างกายมีอาการมีสีสันนั้นมีอาการนั้นยาวอาการลักษณะนั้นนี้อะไรทุกคนไม่เห็นดีท่านมียาวมีขาวมีดำไม่มีรูมีล่างมีลักษณะถ้าทางอะไรไเข้ากันได้เห็นก็แย่ทำงาดูทุกคนกำหนดดูให้ชัดอื่นๆ แล้วเป็นดูอาการครับดูจิตก็ดูให้ครับต่างเมื่อเวลามันชัานั่นต่างกันก็ลงต่างอันต่างจริงจริงไม่ต้องก็เมื่อไหร่ใจไม่จริงนี้เฉยพอใจจริงเมื่อไหร่ก็ลงคือความเป็นปกติหื่อมะถาฐันอย่างนี้เป็นเวลาอย่างนี้ ไม่เคยเห็นทีจะอาฐาน ก, กันเลยอ่อานฐ่านฐานมัน น, นั่งอยู่แต่ความ น, นี่สักแต่ว่านะพูดไม่ได้หรอกนี่คือตัวรู้ของพูดไม่ได้แนละ้วมันตรุงน่ะเวลามันเข้าละเอียดจริงๆเนาะเราจะว่านี่คือตัวรู้ไม่ได้มันตรุงแั้วนั่นแหละคือมันสักแต่ว่า น, น, นั่นแหละกระดิกไม่ได้เลยมันละเอียดขนาดเวลามันเข้าถึงที่จริงนี่สักแต่ว่า คือม <c ười> ีอันเดียวตอนนั้นหก็หายหมดอะไรอะไรายหมดมันฟังว่าันมีนั่นแหละตัวทศจกริงส่วนม้ทั้งที่มีชายสวิชาอยู่แต่มันก็อศจกรมันไม่มันมันเป็นเป็นันพิเศษเป็นสิพิเศษงจะสิทธิในยังอยู่ด้วัฏ กีจอวิชชาชอบอยู่กับตังแต่เป็นอนวิชาที่ละเอียดยี่สุดเป็นอนวิชชาล้วนๆที่ไม่สามารถทำงานได้เหนกันนะอวิชชาไม่ทำงานได้เลยต้องพักตัวแล้วก็เห็นว่าตองตึงของอาจาริบกิโลเหมือนฮะถ้าดส่วนจะสอนมาให้ยิีบ แล้วตักตัดคล้องแต่ใครยุ่มาคาดมาหมายก็่ม่นี้นไม่ใช่เรื่องมาคาดมาหมายในเวลาทําของตัวเองมาคาดทันไหวนะทนไหน่ไม่ได้นะไม่ถูกต้อนเป็นขึ้นในตัวเองเจ้าของรู้เองเห็นเองเนี่ยมันเป็นที่หนักทัดเยียมที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ท่านเล่ให้ฟังแล้วทเล่าทัานเล่าเรื่อ ง, ง, งของท่านเนี่ยเรื่องของเราเป็นอย่างนี้สามเราเป็นของเรามียังไ ง, ม, งไมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงให้มันรุ่นไปตับตัวเองนั้นถูกต้อง จะมาขาดเราทำนี้ลงนี้ไม่ถูกของท่านเป็นอย่างนั้นนะเอาไปคาดเปนวัดแต่แนาเผแล้ว น, นั้นเนาะยุ่งเป็นเรื่องอดีตแลเ น, นคาคตรเป็นเรื่องภายนอกอะไรนะไม่ใช่ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในแล่นเห็นได้เพรหน้าปัจจุบันนั่นเองคลิกันแม้แต่ขณะจิตที่มันลงแค้วันนี้วันหลงังพินัยจะให้มันลงแบบนั้นมันนี้มันยังถูกเราต้องหาใหม่อุบายของเราหาใหม่ ที่มันเป็นปวรููแล้วเห็นแน้วทานกันแล้ ว, ลวอันนั้นก็เป็นไอ้จังตัวขาวตัวขาวแล้อาการที่มันเป็นวันนั่งไปเรือมันเป็นตัวปัจจุบันยืนตัวอยู่นี่เราคือความรู้เันนียมันยืนตัวนี้สัมมต้อข้องนี้ไม่ป่อยวางจากอันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้ น, นหรือยิ่งกว่านั้ น, นยุย่งแยบประหลาดไปยังไงก็เห็นในวงปัจจุบันด้วยการปฏิบัติของตัวเองนี่ถูกต้องถูกเราจะชาติาาไอหมาเป็ลังชาติการคิดคณาธรรมในหลักปัจจุบันแต่ชาติปัจจุบันแต่ชาติเท่าไรผิดทางนั้น บ้านเขาถูกบ้าถูกโดนถูกอะไรแล้วเนี่ยเขาดูแกนเรื่อยแล้วมันทําแล้วดูดูอันนี้ไม่ได้ขนาดที่ทําจะดูแกนไม่ได้เลนเบ่งแยบออกมาแล้วนี่กําหนดอยู่กับอะไรก็อันนั้นคือยู่แกนว่างอันอื่นคุณเรากําหนดกับทําบนใดเรากำหนดปราการใดให้กําหนดธรรมชาดเแกนมันสิงนั้นนั่นเลยกลารดึงแกนที่หนึ่ อันนั้นหลกักจะทำให้เห็นความอิดสิ่งที่กาเนิดลูกมาเป็นชันชัภายในจิตเป็นลูกหนึ่งเพราะอาการนั้นเป็นคนเดียพาให้รู้เนื่องจากเราพิจารณาไม่รัจกจับเพราะนั้นเป็นหลักใจแล้วจะเหมอนไม่ยอมที่จะพุมก็ยอย่างอ่นมีงออานศิลปะอฟังเหมือนกันข้างนอกพิจารณาข้างในพิจารณามันถนัดทางไหนยพิจารณานั้นก่อน มัน้อหนักข้างนอกตอกข้างนอกก่อนนักลูกหญิบลูคพากลูกอะไรลูกตัดแม่กำลัพิจารณาตีครั้งตีฝนเขาฟาดมันตันมันเหนียวว่ามันหนกไปนอกไปมันทำานานักฟะ้งเอาไปพิจารณาแล้วพิจารณาใจองเง็นนั่นแหละจารลักไณะลงิก่นทำนนาางอนอางนก่อน มีกสิถ้ามีากิพิจาสี่ั้งก็ม่ได้ยอะเราเยติดท้าหลักพักเต็ม้น่นนนะนนนมันว่างือง้ออะไรกับ็ิดที่ท่องเที่ยวไปทำาวางคุณไหนมีกสิจ่อติดนั้นึที่ยวเป็นงานแท้ถ้าความรับรู้ของเรามีจัดจ่อมีเพื่อนน้ามีจอยกับน้น้างก็ไ มันนอนตรงกับกิเลสมากถี่สับถี่ครันมันถอนตอนกัจจเลศมันจะผิดจากผิดที่เคยนอนตรงกับกิเลสมากน้อยเป็นไงเราจะไปคอยถามเขาถ้าไม่คอยรู้จากการปฏิบัติของเราไม่มีทางรู้ไม่มีทางเสร็จเราต้องหวังเอาจากการปฏิบัติของเรามากน้อยเรากจะ ก, กล่าวภาษาว่าจะดีร่นกีแสงอมต่างก็เป็นเรื่องของท่านเลยก่อน ความดุจพ้นน้พันความดุจพ้นมันจะมีอยู่กับเราใจดวงนี้ดวงที่ํำลังจมกับกิเลสจะถอนจากกิเลนได้โดยกามปฏิบัติการปฏิบัติเองด้วยวิธีการต่างๆที่ทำตัวเองอย่างันจะต่าง ต่างกันอยู่มากเนะกับความขาดของเราผมเคยถ่ายมันธรรมดาทุกสีมันพ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โด๊ะคาด้นหม้เายว่าดาวกระถดมือหมายนกับเราผูกกัมบ้านนั่งเหมื่อยภาพมันจะขึ้นทันทีทันทีมันช่างที่มันหลอกวันยังค่ำมันคิ้นก็ขิ้นอย่างไม่ต้องบอกมันวาดังดีแต่จังหวัดนั่นเราว่าดนี้ แ <Das que ath en> ม้เคยเห็นอะมันจะต้องวาดภาตจังหวนั้นขึ้นมาคนนั้นว่ามันมันก็วาดขึ้น่ะสัติตัวนั้นมันก็วาดขึ้นมาชาติที่นั้นวาดขึ้นมาถึงร้อยทั้งรอ้อยหน่อยไอ้หลวงผิดผิดไปาทั้งร้อ ย, ยแต่มันก็เป็นความจริงทั้งสิ้นที่มันวาดจะต้องวาดอานั้นนั้นไม่มีทางอื่นมันคําน้ำในทางวาดถามว่าต้องวาดแค่นี้เราเราไปเห็นบ้านนั้นที่เราวาดไต้ภาพขงเราที่วาดไว้กับบ้านนั้นเมืองนั้นอะมันเข้ากันนั้นมันเข้าไม่ได้เลย มันก็ยอมเป็นโทษเหมือนความวาดภาพหลอกเลยนะพอพูดถึงเมือง อ, อื่นอีกมันก็ว่าอีกพูดถึงเรื่องอื่นอีกขี่ร้อยขี่พันเรื่องมันว่าได้ขี่ร้อยขี่พันเรื่องเหมือนกันนี่เป็นนิสยัยคงจิตแล้วเราก็ไม่ยอมจะเห็นโทษแห่นความว่าดภาพหลอกก็ยังอยู่ก็หลอกเวลา น, นได้เลยแนมะ้แต่ท่านนิจมังบัตดูไหมครับ ทั้งทั้งที่ความม่าทาบกับเรื่องชายนั่นหญิงนั่ น, นเรื่องคนนั่นคนนี้นี่สัดว์ตัวนั้นตัวนี้บ้านนั้นเมือนนนนงนี้นะ่ะมันผิดไปวันย่างค่ำคือผิดไปทุกทุแล้วยะทุกทุกอย่างว่างั้นเถอะมันก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าความว่าทาบนี่เป็นเนรื่องหลอกตัวเองมีลกักษณะชั้นในเรื่องของตุเล่กับหลอกเรามันก็แบบเดียวกันแต่ถ้ากันจําไว้มันหายมือรอให้ตลอกเลยละ มันมีอะไรที่ทมาหลอกนีแต่เรื่องข้ามมันของหลอกเป็ของทั้งวันเนี่ยให้จาให้ดีนัเนนะครปฏิบัติเข้าไปจะไม่ทราบว่าเป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างที่ว่านี้สวรรค์กับวาดอย่างพมล ก, มกับผูวาดสวรรค้พวก ท, ที่อยู่อเทวเทวน้าที่อยู่ในสวรรค์ทนั้นนั้นมันก็วาดมันวาดไว้หมดว่าอะไรมันวาดไม่ถอย เวลาเราเต้นที่มีจิตนี้ชาบนะว่าโอ้โหถือขบักถือกันทั้งเพยทั้งเพยทั้งเพยเช่นเดียวกับระวาดเรื่องคามโลกว่าผ่านภานเรื่องธรรมะเหมือนกันเป็นพอไปบความจริงขาแล้วไอ้ภาพนี้มันก็หายไปหาไปเช่นเดียวกับเราไปเห็นบ้านนั้นเมืองนี้ที่เราเคยวาดภาพไว้ก่อนนั่นมันก็หายไปความความๆจะเหลือแต่ความจริงตากรปรากฏเหมือนอย iling, ่างเราไปเห็นบ้านเห็นเมืองที่เป็นความจริงเป็นอย่างนั้นปรากรด ถ้าคุณหลอกไว้ก่อนแมันหายเพราะขนาที่เราไปเห็นของจินเข้าเท่าไหนของปลอมก็หายหมดนเริ่องภายนก็เหมือนกันเรเห็นความจริงเาหนักากเ่าไหสิงกลอมที่มันแฝงตัวขมันหนุก็ดับไปดับไันเรียเยเอย่เือเพลงของผิดูปที่มันหมด ตะไม่มีอะไรจะหลอกอลไแล้วทั้งสภาพเรื่องไออติดทัเด็กโหหัวต้งหลั้อคิดเราอยู่ได้ชีวิตทุกวันทำให้เพื่อ <c oughs> เเริ่นทำให้เช่าโตกแย่ใจอะไรก็อะไรมีอะไรนี้เป็นเหตุนี่จะเรื่องที่จิตหลอกเ ข, ของเท่านั้นเอง <c oughs> ถ้าไม่ทุ่มเรื่องนั้นมามันก็เหมือนไม่มีไอ้ <c oughs> เรื่องนั่นจะีไม่ยนมาจิมการพอได้ยินมีใครพูดให้ฟังประลาวใจ มันจะปรุงเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นมาวขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็ยุ่งตัวเองเราถ้าเป็นเรื่องกระเทือนก็เอาวมากระเทือนทั้งวันถ้าเป็นเรื่องชอบอามชอบมันทั้งวันโดยไม่มีความเบื่อหน่อยอีกพอหนี่นี่สาทั้งจิเป็นไหน่างนเรานี่กรอมทางนั้นนะจำเอาไว้เวลาไปถึงของจริงทพิจานณากันแ ล, แล้วมันจะเบิกตัวมันออกเบิกตัวมันมันปงออกไปเรื่องอะไรภาพนี้ มันจะเห็นภาพเจ้ของทันทีวะอ๋อไปหลอกเจ้าของเนี่ยเวลามันทันเข้าไปมันจะเห็นรวมเรื่องอะไรภาพมันจะเห็นว่าเป็นเรื่องหลอกเตีโดยลำหนักแล้วมันดับเข้ามาพอภาพนี้มันต้องดับพุกดับพุกมันมันมันมันเหมือนการถ่ายภาพเองในจอหนึ่งมันออกกระจกนี่จับกล่องติดตามผลในจอ นี่เนนวลาเนทาบแล้วมันออกไปไหนแล้วก็ฟ้าภษาข้าวยนนั้นเขาทราบมันออกมาจักกล้องนนะมันจะหีปรากตดตัวตัวไหนแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันทราบก็ทราบค่าเดาๆนั่นหรอเรื่อ ง, องนั้นไปออกไปจากใจเราว่าได้เยนะมันจริงมากกว่เขายูหนังก็เป็นแบบเนี่ยเราเห็นจริงมันไม่เป็นย่างมันทราบแทบาทบอยู่แบบผู้นี้ออกไปวาดภาพหลอกตัวเองทั้งมีทั้ ง, ง, งั่ว ตั้งมากไปสบเปิดเผยในบบ ร, ร้อยแตะคำประกานมีเรื่องทีคุเคยว่าภาพของทั้งนั้น <c oughs> เพราะทราบล้วอันนี้คนระงับตัวดักลงไภาพด่างเต็มพุงแล้วระงับเต็มถูกที่คือควหลอกคือภายในที่จะไปหลงนีมันก็หมดภาพดตากดนันก็ฝักติดตากดไม่มีใครไปยึดไปถือ ม, มีใครไปหลงในภา ัช่างเยาว่าขันนวลๆเพราะไม่มีผู้เป็นเป็นจับจองเป็นเจ้าของเียกว่าขันนวนคือไม่มีผู้ตามดีตามถี่ตามดีใจเสียใจตามทุกตามสุกกับสิ่งที่หลอกลวงซึ่งออกมาจากัจทา่านเยกว่าขัน น, นัลหนักขันนวนขันหนัน้นมีเหมือนกันเราแน่ใจที่สุดไม่สงสัยว่า เมื่อขันห้าจะมีกากบมาเรื่องความคิดความปรุงตุวสิอย่างมีงอยู่เป็นธรรมนัติมีตามองค์ของขันแต่ไม่ไมีไปเพื่อความเน้นหนักในสิ่งนั้นเน้นหนักในสิ่งนี้กดขวงในสิ่งนั้ น, น, น, นยึดถือในสิ่งนี้เหมือนแต่ก่อนนะท่านเองความคิดมันมีธรรมนัตแต่มันมนไปคิดแล้วยึดแล้วก็ดีใจเสียใจ ย, ยุ่งแตเหมือ น, นแต่ก่อนเรื่องความคิด <c oughs> คิดทั้งน้อยม่ออกจากขันนี ขกระหังนีถามทิเ็ทิ้มันอยู่ได้เฉยได้เมื่อไหร่มันอยู่เฉยไม่ได้นะเรียกว่าขันมันทางานของมันนั่นแหละทั้งขาทำงานตารองเทียมทั้งขาตานางได้ความปรุงทั้งปรุงมันเออถ้าว่ามีวิชาเป็นเครื่องหลุนหลังแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอีกเรื่องนึงนะโลกหนึ่งดีดีโลกหนึ่งดีดีมึงแต่มองมันไม่ีอวิชานก็เป็นธรรมดาปรุงน้ำปรับตะกร้อในขณะที่ปรุงดับตะกร้อๆๆๆๆๆๆๆๆไปเลย การมาการวอมอวยู่อหายใจมานะรวมกัแล้วมันไปรู้กันที่หายใจที่ใจมั้ยเราเรื่องก่อยหมดมั น, มมน่ะมันว่าถ้เพราะมันทร า, าวอะไรเป็นเจ้าของนอะความจริงว่าเป็นยพาะนี่เขาเป็นเจ้าของเ ข, งขาดูแิบนี้จะว่าโลเลหาหลักที่ไม่ได้ก็ไม่ใช่อีก่ ติ ด, ด, ก, ด, ก, ดกันอยอยเอร็นเป็นคนนึงเครื่องไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญดีตามความสรก่านั้นเกมเป็นหลักควรเป็นหลักก็ดีตามความจริงนิดกันทางันตรายจรตัวเป็นทีึง่งทุงตัวความเก้าที่เพือนไม่เห็นไม่เห็นแต่ยึดตัวเป็นทีึงท้งตัวอีกอย่าง พวกคุณคงมีวัดวันนี้ถามไปกัวนวันทีงนี้ไปก็นี่ก็เพิ่เด็กถามลถามกระแส นับจาวันท่านปฏิบัติมาเรื่องท่านปฏิบัติมีอคไรที่ท่านอยู่กับอะไรตัวขึ้นกับมนัเพราะนับจากปฏิบัติมาจนท่านิบัตาแม่รากว่าจิที่อยู่กับอะไรแต่ก็ไม่สงสัยว่าตวนี้กลับไปกลับอยู่ข้างี้เลยท่านเองท่เราพูดตามคำสื่อขอเรา็ร ที่เจ้ก่อนเราปฏิบัติราใส่หมาแล้มันมันมากเพราะท่านใน้องการท่านเคยถามพวกเราปฏิบัติอะไรลงยี่สิบท่านบอกบอกว่าินเราไม่อยู่กับอะไรเราบอกนะแต่ก็ไม่ไสมใจว่าตัวนอาการไม่จับชื่อว่าไมไ่รู้คำไห น, นเพราะเราอะไรที่สุดของความรู้เรามาพูด เราพูดกับคนอื่นเราก็รู้ว่าเรื่องเนื้อทรรเนื้อแกะทําอะไรกัแล้วแกยแต่เรื่องเราเองเราจะพูดที่สุดังความรู้ของเราเราพูดเราทดเท่านี้นเราลุ้ไงเราก็ว่าไปตการนี้งในปัจจุบนันของเราที่เป็นทุกวันก็นเรารุ้งนั้นแล้วไม่อยู่กับอะไรเราก็บอกไม่อู่กับอะไรแล้วไม่ปฏิจจารที่พึนแล้าก็ทราเขาไม่ปฏิจจารที่พึ่เงเพเราไม่อยู่กับอะไรแต่เราไม่ไสงสัยตัวเองไม่ได้ปฏิ เป็นอิสรนะนี่นั่นตลอดเลยความมี็นอิสระนั่นคือทําตั้งแต่เนี่ยถ้าอยู่กับทำก็ว่าเสียถ้าว่าพูดในหลักปฏิปทานั่นถูกกว่าอยาู่กับทำยึดธรรมที่แบบธรรมอาใช้ิธรรมเป็นหลักอาจฉริธรรมเป็นจิตเป็นกาจอะไรแบบไปยืนหมายที่ขึ้นอยู่<ป>ยาานหน้ถ้าว่าหมดแล้วก็เป็นอยูิลระแล้วเป็นทําตั้งแข่งแล้วจะอะไรอีก ไม่มีอะไรจะพูด ท, ที่พูดไม่ได้พูดไม่ได้จริงเ้วแยกมามันไม่ถูกตามความจริงนั่นแหละที่เราแยากมาเรากว่าที้หักใกล้เพียงกับความจริงมันจะพูดให้เป็นอย่างนั้นมีสิมันพูดไม่ได้เพราะอันหนึ่งพูดถึงพรโลกมันก็เป็นคนละโลกนั่ น, นไม่ใช่ไม่ใช่โลก ร, รละเดชกาจะพูดว่าน <AR C> ี่ไจิทเปลี่ยนแปลงไปนขนาดนั้น ต่วมรุกคูก่คังก็เคยร่วมเคยคุกคังมาด้วยกันทุกคนการติดกันพิจารณากำจัดตัดแตนจะผ่องอยู่เสมออย่างนี้นมันก็เปลี่ยนสภาพลงไปขนาดนั้นขนาดจนพูดไม่ถูกฟังอยู่พูดไม่ถูกแต่ก็ไม่สงสัยแม้จะพูดไม่ถูกก็ไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นอยู่รู้อยู่นั้นไม่สงสัยสมมติมีแค่ได้ความสามารถที่จะนำสมมุติ เข้าไปเกี่ยวข้องหน้ากับธรรมชาติมากๆนมอยแต่ไรก็นำออกมาพูดได้ทานั้นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะนำออมาพูดได้แล้วก็่อและตามความจริงามครามหมอบให้ผู้ปฏิบัติรูอความจริง่นใช่เจ็บเจ็บขอบขอตากับชายชนะ การบำเพ็ญกรขใช้สมองตาอยู่ในสนามโลกะจะไม่ต้องกลับมาทางน้ำสัมัสกลองกลองขัดกลองกระดูหากระดูกหากระดูกไปมาทุวันเรายังไม่ทราบว่าวเราหาบกระดูกหรือเพียงขั้นนี้มันก็น่าจะเขอ า, าเรืองอแล้ว คนทุกคนมีกระดูกมีเว่ามีหนังแล้วหากระดูกทุกวันหนักขนาดไหนหาในาหาเข้าไปหาออกมาเราไม่เห็นความจริงคามจริงอันหนึ่งกับกรอบกระดูกเราเนื่องหนังออกหมดลองดูดิลองดูกันได้ไหมอยู่ที่นี่ให้เหลือแต่กระดูกตั้งแล้วดูกันได้เอาธรรมชาติของจริงหรือของถูก อันนี้กลองกระดูกระดูกกระชากาดมจะวางอะไรกล่องกระดูนั่กล่องกระดูกล่องกระดูหมดแล้ส่วนเนื้อออกรองไว้อีกล่องเนื้อกล่องน้ำกล่องุ้าผ้าป่าชาไหนจะมาประจุคุยิ่งกว่าปราชาที่นี่ป่ะชาที่มีจะตายจะสดร้อนๆป่าชาสดร้อนเนี่ยเต็มีเยอะะทเจ็ดที่แปดปาชาตนี่ยมีทีนั่นเอาความจริงมาพูดนีที่กิน ทำไมันจะไม่เห็นจริงสักทีจริงขนาดไหนเลยล่ะคิดยอดความจริงนะเราไม่ได้คิดเราไม่ ห, หมายมาพิจารณาไปตามนั้นนี่ว่าเราเป็นคนหรือคนเอาะอะไรก็เป็นคนก็มีชาตมันฝูนกับรรทำผู้นี้ชาติอยู่เท่าไหร่ที่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะความฝูนเพราะความฝูนเป็นเรื่องไม่จินล์ไม่จะเรื่องของทำเจ้าความสุขความสบายมันกลับมาพิจารณาตามนี้ก็เป็นเรื่องของทำก็ปล่อยภาณนะ นักหนุนความต้องการมันสั่ให้เบาลงเบอลงนังฮาก็ดูนะมันกระพอไม่ว่าจริงว่าชายนังต่องกระดูกนี่รวมัดพอแต่นั้นกระจายไปเป็นท่าเป็นขันกระจายไปเป็นลงไปตามสภาพเหนืองเขาแล้วเป็นอาตาศเป็นท่าขึ้นกันเป็นขัดขันขันขัน ได้เรื่องขึ้นมาโดยสมบูรณวนั้นะพราะมันแจทบเดียวเท่นั้ น, น, น, นจะได้เรื่องเลยสมบูรได้สัตว์ก็ได้สัตว์เต็มตัวมาเลยได้หญิงได้ชาก็ได้เต็มตัวมาเลยในเรื่องในราวอะไรก็ได้เต็มเลือกเต็มราวมาเลยเพียงขณะเดียวเท่า น, นั้นอ่ะมันอะายมันสร้างไปเดี่อยตั้งนานทั้งขานทั้งยาของหม้มันสร้างขนาดเดียว น, นั้นอ่ะเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวมัน ม, มาโดยสมบูรณแล้วหันหน้ามาหลอกเราเลยเอานั่นมาหลอกเราแล้วก็ดูภาพหลอกอ่ะ มือนกัเป็นคนละโลกมันก็มาจากที่ไหนความจริงออกจากใจนี่แท้แต่หลอกนะเวลาเราพิจารณานี่อันนี้มันจะย้อนเข้ามาย้อนเข้ามากลมคุณกับใจเดียวหายเนี่ยภาพนั้นหายหมดเลยอันนี้มัาเข้ามาใจเราคือเราพิจารณายิงมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาเป็นเรื่องอบบนี้อ๋อรู้หนึ่งนาปุงเรื่องไหนก็มีอันนี้ออกเลยบาดผ่าว่าแล้วมันเข้ามาที่นี่เข้ามาทนสถีปัญญาทันนันได้ไปไหน เข้ามาถึง จ, จิตจิตเป็นผู้ออกเองแล้วคอยื่นออกมาย ง, งมันเหมือก็บายยางที่หดตัวเข้ามามนอยู่ที่นี่ดึงไปกลางภาพหอกขอรงนี้พราพนาแล้วคนเข้ า, าขมาโยงเข้ามาอีที่นี่หมดหมดหมดนะทีนี้จะไม่เราเชื่อความจริงได้ไงมันหลอกไปาชาติทันทเรารู้รู้ความจริงไม่ยอย่อยหลอก เเข้ า, ขาถึงจิตก็มารวมทีจ่จิตเพราะมันแสาะพัดนึกอยู่ในนัง่งในจิต แ, แก่ก็แก่นีดแตกไปะจายหมดแล้วกม็มีอะไรหนอตัวที่ผ่าหนังสดหนังร้อนหนังสดหนังแห้งถูกขาแล้วตัวออกไปผ่างหนังอยู่เนื่อไรถูกขาดแล้ว กระจายหมดลงหนังกระจายหมดรงหนังสดหนังแห้งถูกทำลายกระจายหมดไม่มีอแล้ว ม, มีมีไรหลอกสบายเราไม่มีไรหลอกไม่สบายเลยเพราะนั้นถึงต้องถูกหลอกถูกต้มเสมออริยเจ้าท่านไม่มีไรหลอกท่านสบายพวกเราไม่มีไรหลอกไม่สบายเต่เกาอยู่เหมือนหมาขี่เรื่องสบาย อยู่เฉยๆไม่ได้เกานั้นเกาไม่สบายถ้าได้เกานคันได้เกาสบายนี่สมาร์คีเรื่องหนึ่งพวกเราคิดแต่มาคีเรื่องเกี่ยวบเป็นธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครทางใครนะครับถ้าไม่มีอะไรมันอยู่ไหนมันอยู่เป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวหัวใจดวงเดียวกับเหมือนหยากกันแต่เมื่อพูดตามสมมติออกแยกมาพูดฐท่านอยู่คนคเดียวใจดวงเดียววันนั้นพอได้อืม พูดตามหลักธรรมชาติ้ไม่ว่าใจดงเดียวทำทั้งแท่งวรืนขาที่ครองขันหรือว่าทาทั้งแท่งพอส้ า, ายไปแล้วข้ามาทำทั้งแท่แามมาททงทหมดปัญหาไปเลยไม่ต้องนำมาพูดพูดกัไปทำไมไม่ใช่วิสัยจะพูดไปอีกนอนง่วงที่ความกดความทนนี่เป็น ทางเดินของนักป่าไม่ว่าหน้าที่การงานทางโลกทางธรรมผู้มีความอดความค้นการฝึนการทรมานตนดีเป็นคนมีขอบเขตถึงจะเป็นฆรวาสก็มีขอบเขตมีการบังคับบัญชาตนาได้อันใดควรอะไรไม่ควรบังคับตนเทนั้นมันดูดไปหม ด, ดรถก็ยังมีทั้งเบร็เราทั้งคนทำไมจะไม่มีเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยสติ ป, ปัญญาเป็นเครื่องคพา้ยับยั้งมีอย่างเหยอน่ะ เราสร้างรถขึ้มาทั้งขันคนสร้างรถมาทั้งขันสร้างเครื่องเล่นเครื่อ ง, งหอดมีทั้งขันเล่นมีทั้งเบร็รคไอเราเองเราทำไมไม่สร้างคันเล่นสร้างเบ็คคันเล่นกับเล่นต่อความภาคความเปลี่ยนเล่งในทางที่ดีโยช้าเยื้งขวาเป็นพวงอะไรก็หมุนไปตามทิศทางที่ถูกที่เราต้องการไหนแต่เลี้ยวซ้ า, ายเลี้ยวขวาให้เป็นไปตามความต้องการ อันไหนไม่ดีก็เบรคมันหยุดรอกีตัวหขังนี้หมดนี่แหะการฝึกตัวเองไม่มีอะไรจะเยี่ยมยิ่งกว่าทำเครื่องฝึกนี่เยี่ยมมากฝึกให้มันรู้วิวธีฝึกให้รู้จิตว่ามันยอมรับการฝึกของเราถึงชื่อว่าเรานี่ฝึกมันได้จนขั้นไปนล้วมันฝืนเราไปได้ ขั้นยาเราฝึกขั้นยาเป็นยังไงทำมันอยู่ในขั้นยาของมันได้ขั้นกลางทำมันได้ขั้นละเอียดมันได้ฝึกเป็นขั้นๆเรามีคุณค่าทั้งคนทําไมจะไม่ไมรักษาสมบัติของตัวเองคือคุณค่ า, ามนุษย์ด้วยการทุปฏิบั ต, ดรรบติด้วยการดูผลอกรมหรือการดัดแปลงการฝึกทรมานตนเักต้องฝึกคุณจะดีต้องอาศัยการฝึกแม้ต่ตัดต้องฝึกทุกสีทุกอย่างต้องได้ถูกดัดแปลงไว้ก่อนเพืที่จะได้ประโยชน์ได้ ค น, ค, นคนทั้งคนคนทั้งรุ่นันเป็นอย่างคนที่รับการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างนียเราก็มาฝึกการฝึกอบรมเราต้องฝึกอบรมให้ทราบว่าการฝึกเป็นยังไงแล้วฝึกได้ผลเป็นยังไงไม่ฝึกเป็นยังไงให้มันรู้ทั้งสองอย่างคนไม่ฝึกก็คือคนทั้งรุ่นนอกอย่างนั้นยังจะต้องไหลหไปตามความไม่ดีทั้าวยเป็นค น, ห ม, นคหมดคุณค่าหมดสาระกงรา อะไรที่ไหนมันมนุษย์เกลียดที่สุดกลัวที่สุดคนหมดคุณข้าท่าแต่ความเดือดร้ อ, อนันี้ย่งคือคนไม่ฝึกนะคนที่ฝึกต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทําเมื่อไม่ควรแล้วหยุดน่ะถึงจะอยากทำเท่าพระเท่าปณินไม่ยอมให้ทําเราไม่ยอมให้ทําเพียงคนเดียวเท่านั้นความอยากทําจะฝืนไปไม่ได้ต้องยอมจํานวนเราหนี่ชื่อว่าเราสุข และชื่อว่าฝึกได้คือฝึกให้อยู่ในอำนาจของเรานะอันได้ที่ไม่ดีถึงจะอยากทําอยากกินอยากดื่มเท่าไรก็ตามนะอยากพูดเท่าไรก็ตามไม่ยอมให้ทําให้ดื่มให้กินให้พูดเพราะไม่ถูกทาลงไปก็เป็นพลิกแกเราเองเราจะดีได้หรือที่จะฆ่าตัวเองด้วยการกระทําไม่ถูกรกระทําผิดคือการฆ่าตัวเอง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองนะเราเกิดมาเพื่อส่งเสริมตัวเองให้มีคุณค่าการทำไม่ดีนี่เป็นการทำลายตัวเองเรายังก็ปล่อยให้ทำไปเลยไม่ปล่อยว่านี่ชื่อว่าการฝึกเมื่อไม่ปล่อยแล้วก็ชื่อว่าฝึกได้ง่า น, นี่แหละนคนเราดีด้วยการฝึกจาไหมดีไม่ไมหนีจากเราไม่เหนือเราไปได้ใครจะบังคับมันก็ไม่อยู่ถ้าเราบังคับเราแล้วอยู่คนอื่นบังคับมันโกรธให้เขา กูวาจาันบังคับโกดธกวาจาันถ้าเราบังคับเราเองไม่มีทางโกรธและได้ผลเกินคาดด้ให้จำไว้เราเป็นภาคอัวเองไม่จําเป็นต้องใครบังคับบัญชาเราอันใดที่เราไม่รู้ท่านอบรมสั่งสอนรือถามไปถามท่มานเมื่อรู้แล้วเอานํามาบังคับตัวอย่างนี้เยี่ยมที่สุดเชื่อคนฝึกเครื่องหมายขอยงการฝึกหรือผลเื่องการฝึกก็คือคเป็นคนดีได้รับความเยน็นใจ เรานี้อธิบายณีก่อนอทรานปัาธิ บ, บญญายขั้นสัน